สงงกันบ้านองออไม่ค่อยทันรู้สึกเหมือนขาดสมาธิแล้วก็พอรู้สึกถึงการปฏิบัติปั๊บก็จะเกิดความจงใจทันทีจังหวะนั้นมันเหมือนความบาลานซ์มันน้อยลงจากเดิมนะคะ mm. คือเดิมเนี่ยขององค์จะค่อนข้างไหวพอดีช่วงนี้มีเรื่องงานเยอะพอททำทั้งงานงานประจำทำทั้งงานพาร์ทไทม์ นอกเวลามันก็เลยเหมือนกับชั่วโมงการทำงานมันยาวก็ปกติแล้วก็สิ่งที่เห็นชัดคือจังหวะความรู้สึกตัวแป๊บเดียวแล้วก็ความคิดยาว <c oughs> แล้วก็ความรู้สึกตัวแป๊บหนึ่งแล้วก็ความคิดยาวมันทำงานนี่มันต้องคิดในเรื่องธรรมดาแต่องค์ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าความฉันฉันทะที่เดิมเนี่ยองค์จะมีฉันทากับการปฏิบัติมาก มันเหมือนตอนนี้มันตื่นเต้นกับงานใหม่ที่เกิดขึ้นตัวฉันทามันก็เลยไปจับตัวงานมันก็เลยวิ่งเข้าไปหาเรื่องที่คิดมากขึ้นแต่การปฏิบัติมันก็จะเบาลงไปคือเหมือนกับตัวมันเบาลงไปเองแต่ว่าแต่ว่าผลมันยังดีอยู่ก็คือว่าเวลาเราทำงานหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่มันจะไม่มีตัวเราเข้าไปอินเตอร์เฟียร์กับงานเท่าไหร่มันก็จะเหมือนกับตัวเรามันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว มันเบาลงอยู่แล้วแล้วก็เวลาทํางานมันก็สบายแล้วยิ่งทําก็ยิ่งสําเร็จแล้วก็ยิ่งง่ายอะไรก็ง่ายไปหมดอะไรเงี้ยก็เลยเอ๊ะนี่ปฏิบัติอยู่หรือว่าไม่ได้ปฏิบัติอยู่กันแน่อะไรอะค่ะปฏิบัติพี่ถ้าไม่ปฏิบัติคงตีกับเขาตายไปแล้วเรีย <c oughs> พันเป็นไงคุยอะไรไหมหนูมีความรู้สึกว่าตัวหนูเองเนี่ย ถ้าสมาธิเข้าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแบ่งชั้นเป็นจิตกับกายครชันซึ่งจริงๆอํานาจของสมาธิเนี่ยมันจะปิดปังปิดกั้นธรรมชาติของการเรียนรู้เพราะว่าถ้าธรรมชาติของการเรียนรู้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเป็นผู้มองดูเหมือนมองในท่อค่ะน้ําที่มันไหลเข้าแล้วเราก็มองดูแค่นั้นเองอะะเออค่ะแต่ถ้ามันสมาธิมันเข้าปุ๊บมันปิดกั้นหมดทุกอย่าง เหมือนตอนนี้มันก็เข้าอีกลว<ต>ไม่ไหวแต่สังเกตไม่ห้ามมันไม่ได้ใช่ค่ ะ, <ฮ>ะคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยหนูจะทรมารมากเพราะว่าอะไรที่เคยทำได้แล้วมันทำไม่ได้อะมันจะทรมารเพรา ะ, <ฮ>ะเรารู้ว่ามันไม่ใช่เ <ฮะ S 1> นี่ยเราต้องเป็นกลางกับมันแารที่เราเห็นนะแต่ละคราวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเสื่อมลงมาดีแล้วเสื่อม <ฮะ S 2> ต่จะค่อยๆเป็นกลาง <ฮะ S 2> มันเริ่มฉลาด เริ่มรู้ว่าจริงๆเราบังคับไม่ได้สักันเดียวไม่ได้เลยค่ะมันต้องเหมือนกับมองแค่เนี้ยแค่เป็นผู้ดูอ่ะเออนั่นแหละแล้วพอมันไปรู้ทันปุ๊บนะแม้ว่าเราจะบอกเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันเหมือนตอนเนี้ยค่ะมันก็เริ่มอีกแล้วเออมันทำกับมันไม่ได้เพราะว่าธรรมชาติของจิตเนั้นมันไหลไปตามความเคยชินค่ะเราเคยชินที่จะเพ่งมานานแล้วใช่ติดสมถะดีที่เห็นหน้ายังดียังแก้ได้ หลายคนเจียพันคงเห็นน่ะพวกที่ภาวนาด้วยกันหลายคนแก้ไม่ออกฮะแล้วหนูก็คนธรรมดาเขาก็เป็นกันนะคะแต่เขาไม่รู้ตัวกันเหมือนลูกศิษย์ที่หนูสอนนะคะถ้าธรรมชาติระหว่างจิตกับกายเขามันผิดเพี้ยนไปเนี่ยผลลัพธ์ของการการเรียนเขาจะเปลี่ยนไปด้วยอะ่ะใช่มันจะไม่เห็นตามที่เป็นหรอกมันไปดึงเอไาไว้่ะ ดีแล้ว น, น, ลนี่นี่ลวงยี่นี่คนพอดีเมื่อครั้งก่อนนะครับที่มาฟังหลวงพอ่อหลวงพ่อพูดเรื่องตัวทุกข์กับสมุทยัยใช่ไหมครับก็มันเริ่มเริ่ ม, ร, มรู้สึกว่าจะเห็นว่าไอ้สุขทุกข์ก็มันเกิดมันมีตัวนั้นอยู่แต่ทีนี้วันนี้หลวงพ่อไปพูดเรื่องเรื่องตัวเกิดดับเกิดดับทีนี้ก็เลยเริ่มงงอีกว่าก็เลยเริ่มงงว่าไอ้ตัวเกิดดับของความเผลอครับ ปกติผมไม่ได้ดูความเผลอใ ช, ใช่ไหมครับแต่ละคนทางใครทางมันเราที่ทําอยู่ตอนนี้ใช้ได้แล้วดูไปเรื่อยๆที่ทําอยู่ใช้ได้แล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัติก็มีสองอันอะไม่ไปเพ่งเอาไว้บังคับไว้นะก็เผลอไปนี่เรารู้จักสภาวะคู่นี้แล้วใจมันก็ไม่เผลอไปนานมันเพ่งขึ้นมาเราก็รู้ทัน เกียรพันไปเพ่งแล้วเราก็รู้ทันใจมันเข้าไปทําเองด้วยความเคยชินนขอแค่รู้ทันแล้วก็จะเห็นเลยมันทํางานของมันเองทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้ได้ใช้ได้แล้วที่ทําอยู่คุณกบทิศนี้ก็สบายสบายเจ้าค่ะก็ไม่ไม่ไม่ได้เครียดอะไรเจ้าค่ะค่ะแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกพัฒนาเท่าไหร่เจ้าค่ะ ไม่ต้องพัฒนาะไรนะมันเป็นเรื่องความเข้าใจมันไม่ใช่พัฒนาเป็นไหนหรอกมันก็คือเราเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามกายใจมากเข้ามากเข้าแล้วมันก็เป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นแค่นั้นเองเราเข้าใจแล้วมันก็เป็นกลางกลางแล้วมันไม่ดิน้นไม่ดิน้นไม่ปรุงเราไม่ปรุงวันหนึ่งก็พ้นความปรุงแต่งแค่เท่านั้นเองบางคับนิดหน่อยนะอ้าวเบอร์แปดสิบแปดอาเ อ, า เ, อาเลยส่งไปต่อเลย เป็นยังไงไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนคนก่อนละคิดว่าตัวเองเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะออนะถูกต้องแล้วแล้วหลวงพ่อแนะนําอะไรเพิ่มรู้ลูกเดียวเลยดีขึ้ น, นัเยอะแล้วไม่เหมือนคนเดิมแล้ะคนเดิมไม่นนักทำวันนี้เริ่มรู้แล้วว่าทําไม่ได้เราเพิ่งมาครั้มมงแรกะนะคะครั้งแรกรได้อย่างนี้ก็เก่งแล้ว ก็ <c oughs> อยากจะศึกษาว่าทํายังไงให้จิตสงบไม่อยากดีใจมากเสียใจมากอยากให้อยู่ตรงกลางอยากไม่ได้หรอกสิ่งทั้งหลายมันไม่ได้เป็นตามที่เราอยากสิ่งทั้งหลายมันเป็นไปเพราะมันมีเหตุมันถึงจะเป็นไม่ใช่เพราะอยากนะอย่างไฟมันจะไหม้เราจะไปอยากให้ไม่ไหม้เลยมันไม่ได้ สิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุนี่ทำไมเราจะเป็นกลางถ้าเราอยากเป็นกลางเราก็ต้องเห็นบ่อยๆสุขทุกดีชั่วทุกครั้งที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ของชั่วคราวทั้งดีใจทั้งเสียใจของชั่วคราวเราเห็นซ้ําๆมากๆเท่ากับต่อไปใจเป็นกลางมันรู้ว่าค ว, วามสุขเกิดขึ้นในความสุขก็ชั่วคราวก็เป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นเราเห็นบ่อยๆความทุกข์ก็ชั่วคราวแต่ก็เป็นกลางไปดูบ่อยๆ มาตั้งหลายครั้งแล้วอะค่ะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทำความรู้สึกสังเกตไหมใจมันสงบมากขึ้นใจมันเบามากขึ้นรูออกเปล่าหรือดูไม่ออกเลยยังไม่ค่อยออกนบางคนนะภาวนาเป็นภาวนาดีขึ้นมายังไม่รู้เลยก็มีนะพระเจ้าจึางบอกว่าบางคนจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลบอกว่าใช้ไม่ได้ ถ้าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศล น, นะท่านบอกใช้ได้ใจตอนเนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนดูออกเขาออกดูไม่ออกเดี๋ยวไม่ออกก็ไม่เป็นไรดูไปเรื่อยๆ <c oughs> ดูออกไม่ใจแต่ละวันไม่เหมือนกันเออดูอย่างนั้แหละแต่ละเวลาเช้าสายบายเย็นไม่เหมือนกันดูได้ไหม <c oughs> แต่ละขณะไม่เหมือนกันรู้สึกไหมก่อนจะคุยกับหลวงพ่อใจก็เป็นอย่างหนึ่งตอนคุยก็เป็นอย่างหนึ่ง นั่นแหละเราบอกว่าดูไม่เป็นนะไม่ตอบได้การที่เราเห็นใจของเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติการปฏิบัติไม่ใช่ไปทําอะไรที่เหนือธรรมดาธรรมดาที่สุดเลยเราเห็นกายเห็นใจมันทํางานของมันไปธรรมดาลงไปคิดทราบไหมใจมันหนีไปคิดนะรู้ทันว่ามันไปคิดนะส่งมาข้างหน้านี่คือ หลงอยู่คนเป็นไงมาจากไหนคนนี้ามากับคุณ9ก้าค่ะอภารดีค่ะชวนมาค่ะเคยฝึกแบบไหนล่ะไม่เคยฝึ ก, กเลยเพิ่งเคยมาค่ ะ, คะนั่งไปก่อนนั่งฟังหลวงพ่อไปเรื่อยเดี๋ยวภาวนาเป็นเองแหละกรรมฐานที่หลวงพ่อสอนนไม่เหมือนชาวบ้านเขาสอนแล้วส่งไปข้างหลังเลยไปส่งให้เบอร์ห้าสิบนพ่อครับที่ผมตามดูอยู่เนี่ยยังบังคับอยู่ ยังบังคับตัวเองเกินธรรมดาไปนิดนึงดูออกไหมมันเกิดจากเราจงใจปฏิบัติเราจงใจเราก็เป็นนั่งจ้องเอาไว้อย่าไปจ้องไว้นะดูให้สบายสบายต้องสบายกว่านี้อีบสบายตรงนี้ตั้งใจเยอะไปนิดนึงครับน่าหัวเงอย่ายิ้มนานเวลาน้อยดูอยากทราบว่าทื่ผมทำนี้ ถูกตั้งหรือเปล่าออดีขึ้นเยอะแล้วดูไปเรื่อยๆใจมันเริ่มโป่งเริ่มสบายรู้สึกไหมค่ะ<ฆ>มันสบายขึ้นสบายขึ้นภาวนาเป็นสบายนะไม่ใช่ยิ่งปฏิบัติยิ่งลําบากนะหลายคนภาวนายิ่งลําบากขึ้นลําบากขึ้นคิดวาบากถึงขีดสุดเรียกว่ารู้ทุกข์ไม่ใช่รู้ทุกข์หรอกคําว่าทุกข์ไม่ใช่แปลว่าความทุกข์ยากอย่างนั้นนั่นมันทุกขเวทนาปฏิบัติแล้วรู้สึกอึดอดัดขับแค้นนีม่มันทุกขเวทนา คำว่ารู้ทุกข์คือรู้ความจริงของกายของใจขณะที่เราไปรู้ความจริงของกายของใจจิตใจมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นสบายปฏิบัติแล้วสบายไม่ใช่ปฏิบัติแล้วเครียดถ้าใครปฏิบัติแล้วเครียดทําผิดแน่นอนหนูอย่างเพ่งและประคองอยู่หรือเปล่าคะอะไรนะประคองอย่งประคองอยู่นิดหน่อยใช่ไหมเออรู้สึกไม่ใจอย่างนิ่งๆอยู่นิดนึง เราอยากรู้ว่าเราประคองป่าลองสังเกตได้ง่ายๆนะลองนึกถึงตอนก่อนที่เราจะหัดภาวนาก่อนเราปฏิบัติอ่ะจิตใจของเราตอนเด็กๆใสๆซื่อๆจิตใจอย่างนั้นน่ะดีที่สุดเลยวิเศษที่สุดเลยจิตใจของเด็กๆเนี่ยเป็นจิตใจที่เหมาะกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจิตใจของผู้ใหญ่เต็ไมไปด้วยขยะเต็ไมไปด้วยข้อมูลล้นเกินอย่างฟังธรรมะ ก, ก็ศึกษาเปรียบเทียบไปเรื่อยๆแทนที่จะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็น อย่างเด็กๆนะมันถูกดา่ามันถูกว่ามันโกรธมันก็โกรธเลยนะของเราโกรธเราก็ตองซ่อนไว้ใช่ไหมอย่างคนมาว่าเราเราโกรธเราต้ซ่อนเราต้องยิ้มยิ้มไหมของเราดัดแปลงเยอะแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องไปตีกับเขานะนี่หลวงพ่อเทียบมาในทางจิตใจจิตใจของเด็กๆมันใสๆซื่อๆได้กระทบอารมณ์อย่างนี้มันพอใจมันก็ดีใจขึ้นมาเสียใจมันก็เสียใจขึ้นมามันก็ดูไปอย่างซื่อๆ นั่นเด็กๆเกนี่ยเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เร็วผู้ใหญ่ยิง่งผู้ใหญ่มากนะยิ่งเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ยากเพราะมีแต่ข้อมูลเดิมสมัยพุทธกาลคนไม่เคยฟังธรรมไม่มีข้อมูลเก่านะมาฟังแล้วปิ๊งปิ๊งปิง๊ของเราเรียนมาเยอะกรรมาฐานทํามามากนะฟังแล้วแป๊กแป๊กแปกไม่ปิ๊งนะฟังแล้วแป๊กอยู่นะัน่นะฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดนะ ทำไมหลวงพ่อปราโมทพูดอย่างนี้หลวงพ่อโน้นว่าอย่างนี้หลวงแม่นี้ว่าอย่างนี้นะ <c oughs> มีหลายสายพันธุ์เลยยุ่งกันใหญ่จริงธรรมะน่ของง่ายใครๆไปเรียนธรรมะจากพระพุทธเจ้าแล้วถึงอุทานบอกแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะเหมือนเปิดของคว่ำให้หงายง่ายนะเนี่ยควา่ควาๆเงี้ยจับหงายมันยากเหรอไม่ยากของเรา มายุคนี้สับสนพระเจ้าข่านะาไปเจอพระเจ้านะ้สับสนพระเจ้าข้ายากกว่าที่คิดเอ <c oughs> ไปโน่นซะอีกคุณค่ะ <c oughs> อย่าไปหลงคนนะกรรมฐ า, านจริงๆง่ายที่สุดเลยน <c oughs> ่ะหลงอยู่นี่คนหนึ่งจะคุยอะไรกับหลวงพ่อเปล่าเวอร์สิบเอ็ดเนี้ยคุยก็ไม่ไม่มีอะไรก็ผ่านไปแั้วก็ส่งไปข้างหลังอเอากบกรบไปนั่งคู่กันนี่ย นี่นี่ก็กกว่าไงสติมันหายไปไหนเลยเมื่อกี้นี้ฮะเ <laughs> มื่อกี้งงๆเลยมันหายไปไหนก็ไม่รู้ไปตกอยู่หน้าวัดเนื้ <laughs> หรือไปหายอยู่โรงอาหาร <laughs> ก็ตอนนี้รู้สึกว่ากบกับไปตั้งต้นใหม่อะคะ่ะไปดูอารมณ์ที่ทำอยู่ตอนเนี้ยดีกว่าที่เคยทำมานะไม่ใช่สติหายนะสติมันเป็นธรรมชาติมากขึ้น ไม่ใช่สติจงใจไปตั้งไว้แข็งแข็งเพราะงั้นเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเผลอเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เผลอนั่นแหละดีแล้วแต่ก่อนที่รู้สึกไม่ขาดสติเลยนั่งจ้องไว้ทั้งวันนั่นเกินเกินธรรมดาที่ทําอยู่ตอนเนี้ดีแล้วนี่นี่ก็อีกคนหนึ่งนะอย่างที่ผู้เจ้าบอกจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลใช้ไม่ได้ตอนนี้ใจไม่ตั้งมั่นแล้วดูออกไหม แล้วบอกว่าดูไม่เป็นน่ะดูไม่มีสติแล้วทำไมรู้ว่าใจไม่ตั้งมั่นใจเราไม่ตั้งมั่นไม่อยู่บนฐานไหลออกไปกระจายออกไปดูออกไหมแล้วจะทำยังไงดีก็รู้มันไปอย่างนั้นแหะค่ะรู้มันไปด้วยใจที่เป็นกลางใจเป็นกลางไม่จะเข้าฐานของมันเองแต่เหมือนเวลาเดี๋ยวนี้มันรู้มันรู้แคบเบามากบางๆแล้วมันก็หายไปเลยนั่นแหละรู้เป็นก็รู้อย่างนั้นแหละบางเฉียบเลย นะเนพราะอะไรเพราะปัจจุบันนี้ช่วขณะจิตต่อหน้านี <c oughs> ไม่ใช่หนึ่งนาทีนะไม่ใช่รู้ครั้งละนาทีช่วขขณะต่อหน้านั้นบางเฉียบเลยนะนั้นความที่มันบางเฉียบเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวนะั้นทำให้ไม่มีอะไรตั้งอยู่ในมันได้ไม่มีอะไรปรุงแต่งอยู่ในปัจจุบันได้ปัจจุบันนั้นสั้นนิดเดียวแล้วเราจะแยกได้ยังไงคะว่าขณะนั้นเรารู้ตัวจริงๆหรือว่าจิตเราไม่มีกาําลังรู้ว่าสงสัยไปเลยรู้ลงปัจจุบันไปไม่ต้องไปทบทวน รู้ลงปัจจุบันลูกเดียวเลยะไม่ต้องค้นคว้าตอนเนี้เกินจริงแล้วรู้สึกไหมเริ่มอัดแล้วมันหนักหนักเออนะมันอันหนักหนักเพราะเราไปอัดมันไว้มันเกินธรรมดาแล้วส่งต่อไปคุยนานยิ่งแย่ลงเรื่อยเื่อยมีเรื่องกะทําครับหลวงพ่อครับอปกติเวลาฝึกรู้สึกตัวครับหลังจากรู้สึกตัวเสร็จปุ๊บนิดนึงครับเหมือนมันจะมีการตามมาคือ ตัมันจะเกรงเกรงนิดนึงมันจงใจคือตอนที่เผลอไปเป็นอกุศลตอนที่รู้สึกตัวตรงนี้ยดีที่สุดเลยบางเขียบเลยนะเบาไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เลยแต่ถัดจากนั้นเนี่ยเรากลัวจะเผลออีกเราก็เลยไปจ้องไว้ไปบังคับไว้ไปควบคุมไปกําหนดไปดึงก้จะแน่นๆขึ้นมาทําไงดีครับหลวงพ่อทำไม่ได้ให้รู้ตามที่เป็น ไม่ใช่ว่าไปปฏิเสธสภาวะอันใดอันหนึ่งอยากได้สภาวะอันใดอันหนึ่งสภาวะทั้งหลายนั้นเสมอภาคกันทั้งหมดเลยเราก็ดูไปเพื่อให้เห็นความจริงว่าสภาวะทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับไปดูเพื่อให้เห็นตรงนี้นะไม่ใช่ดูเพื่อให้รู้สึกตัวนะกระทั่งความรู้สึกตัวก็ไม่ใช่สิ่งที่จะเอาแต่ว่าเป็นสิ่งที่อาศัยท่า น, นอาศัยรู้สึกตัวขึ้นมานี่เป็นเครื่องอาศัยจะได้รู้ว่าก่อนหน้านี้หลงไป แล้วก็รู้สึกขึ้นมาเดี๋ยวก็หลงอีกรู้สึกอีกมากๆปัญญามันเกิดมันรู้เลยจิตจะหลงห้ามมันไม่ได้อย่ารู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไม่ได้เพอรักษาไม่ได้มันกลายเป็นพิงถ้าคนทั่วๆไปก็เหลือใหม่เลิกลังใหม่สองคนใช้ได้นะสองคนภาวนานดีก็ดีและ้ะกบแข็งเกินไปละอ่ะเบอร์สามสิบห้า การหลวงพ่อคะ่ะฟังแผ่นของหลวงพ่อทุกวันาการปฏิบัติมีอยู่เมื่อวันศืนนี่คือมีอยู่คืนหนึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วจะตามดูเผอได้เร็วมากค่ะแล้วก็จิตที่ส่งออกนอกนี่จะจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะรู้ตัวไวค่ถี่ขึ้นถี่ขึ้นมีมีอยู่เมื่อคืนวันศืนนั่ ง, น, งนั่งไปเนี่ยรู้สึกกลัวเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยจิตมันก็ว่าง มันเฉยหมดเลยตัวมันก็มันมันไม่มีก็มันก็รู้สึกกลัวอยู่นิดหนึ่งฮะแล้วก็พอรู้สึกความกลัวนมันก็หายไปมันละละหลังมากเลยมันก็นกที่บินกลับแล้หาหลังไม่เจอในลักษณะนั้นน่าถูกละมันหาหลังไม่เจอมันเคยมีเราแล้วเราหายไปมันตกใจมันเป็นยานตัวหนึ่งกลางทางถัดจากนี้ไปใช้ถือจะเข้าสู่ความเป็นกลางอีกทีตอนนี้เวลาที่ ใกล้ชกับลูกกับหลานเวลามีอะไรมาผัดสะคําพูดแรงๆนะี่จิตจะเฉยหมดไม่มีอารมณ์โต้อตอบว่ามีความมียินดียินร้าย่างวางเฉยที่หมดแล้วจะเห็นตัวกิเลสเนี่ยบ่อยมากที่สุดแล้วบางทีเราก็รู้เป็นกิเลสแต่เราก็ไปยอมมันก็มีฮะ mm hmm. แต่ส่วนใหญ่เนะี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยเอ๊ะอย่ให้รูกไปเอาอย่าคุ้นเห็นเลยว่าเราคิดไปแล้วเนี่ยปรุงแต่งความจริงมันไม่ได้มีความอยากไม่มีความหิวเลยแต่อยากจะเอาในที่สุดมันก็ละลายไปมันก็ไม่เอา mm hmm. มีหลายอย่างบางทีคิดถึงลูกอยวคิดถึงลูกอยากจะอยากจะอยากจะโทรไปถึงลูกรู้ไอ้นี่เราเผลอนี่บางทีมันละล้าละลามันก็วนก็วายเห็นหมดเลยระสําระสายหมดเลยมันเห็นดับเห็นดับเห็นดับอย่างเวลาฟังเสียงหลวงพ่อบางทีก็เห็นหลวงพ่อเสียงมันกระทบที่แล้วก็ดับดับดับดับบางครั้งเนี่ยมันดับที่หูแต่บางครั้งมันดับที่จิตก็มีส่วนใหญ่จะดับที่จิต จะเป็นอย่างนั้นลักษณะนั้นจะดีแล้วดูไปเรื่อยดูเขาทํางานขันเขาทํางานของเขาทั้งวันทั้งคืนนะเราดูเฉยเฉดูวันหนึ่งเราจะรู้ว่าเอ้ตัวเราหายไปพอตัวเราไม่มีเนี่ยหลายคนจะรู้สึกแตกต่างกันบางคนรู้สึกหน้าเบื่อหน่ายมากเลยเห็นแล้วเบื่อสุดๆเลยเบื่อสุขเบื่อทุกข์เบื่อดีเบื่อชั่วบเบื่อเสมอกันหมดเลยบางคนรู้สึกเวิร์งว้างตัวเราหายไปไม่มีที่ยึดที่เกาะไม่มีที่อาศัยรู้สึกเวิร์งว้าง บางคนรู้สึกกลัวมีหลายแบบวันนั้นที่ที่โยมเห็นก็มีทั้งกลัวแล้วมีความทง่วงว้างเจ่าค่ะนั่นแหละพอดูไปนะต่อไปแล้วก็รู้อีกความรู้สึกกลัวความรู้สึก ง, ง่วงว้างก็เป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้อีกเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเช่นเดียวกับความรู้สึกอย่างอื่นนั่นเองใจก็ค่อยตั้งมั่นขึ้นมาคร น, นี้ใจตั้งมั่นเราก็จะเห็นขันทํางานใจตั้งมั่นโดยไม่เข้าไปแทรกแซง เห็นขันนะทงานทั้งวันทั้งคืนทั้งกายทั้งใจนะทางานตลอดเลยในตรงนี้เองที่จิตมีปัญญาแก่กล้ามากเป็นจุดสุดท้ายที่เราจะภาวนาได้ละถ้าจากนั้นจิตจะเป็นไปเองละเกิดมากเกิดผลเนะี่ยเขาเกิดของเขาเองดงั้นที่เราภาวนากันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อวันหนึ่งเราจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางต่อขันต่อสังขารต่อความปรุงแต่งทั้งหลายนี่เอง นีพอเราเริ่มเห็นขันทั้งหลายเกิดดับแปรปรวนไปเรื่อยเนี่ยทีใจรู้สึกเว้องวงังรู้สึกกลัวรู้สึกเบื่อเนี่ยอันนี้เป็นความรู้สึกแทรกซ้อนเข้ามาอยู่ตรงกลางกลางกลางทางให้เรารู้ลงไปรู้ลงไปจนกระทั่งใจเป็นกลางเป็นกลางแล้วคราวนี้จะเห็นสภาวธรรมเขาทำงานของเขาเองไม่เข้าไปแตะต้องเลยนะไปตอบนะจิรัตยมภาวนาดีนะ แล้วลูกมาเปล่าวันนี้ลูกเ อ, อลูกก็พัฒนาดีขึ้นเยอะแล้วชิรัตมีโมหะเหมือนเดิมครับมีโมหะไม่เยอะนะมีโมหะพอประมาณทำไมมันมีโ ม, ม, มหะ<ม>อย่าไปบังคับสินะปล่อยนางหญิงก็ ย, ยังมีแน่นแน่นสลับแน่นแนเพราะว่าบังคับครับนส่งไปโน้นๆทางน้นกันไป เรองนี้เดี๋ยวขาดช่วงไม่มีคนส่งต่อตอนนี้เรื่องของราคะความอยากนี่จะสกัดกั้นมันค่อนข้างจะดีนะแต่เรื่องโมหะมันก็ห้าสิบเปอร์เซ็นตมันอยู่ในจิตแต่บางทีเนี่ยมันปุ๊บกระทบปุ๊บเนี่ยอย่างเรื่องของลูกอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกมาเลยโดยวาจาแต่ทางกายนี่ครับจะไม่มีละแต่ก็รู้ก็รู้เร็วขึ้นเเรรู้รร้ ว, วขึ น, ขนใช้ได้แล้วดูไปได้ครับส่งต่อส่งต่อ อับนามาส ก, การครับคือก็อ่านหนังสือฟังซีดีของหลวงพ่อมาแล้วก็ปฏิบัติด้วยตัวเองมาโดยตลอดนะครับก็ขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยแนะนําด้วยครับดีแล้วทําต่อไปนะใจมันเริ่มตื่นแล้วรู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเมื่อก่อนพอดูความแตกต่างของตัวเองออกไหมพอดูออกครับคนในโลกไม่ตื่นนะคนในโลกมันตื่นแต่ร่างกายแต่จิตใจมันหลับมันฝันทั้งวันตอนนี้ใจของเราเริ่มตื่นขึ้นมาแล้ว อย่ารู้สึกรู้สึกขึ้นมาฝึกไปดูไปเรื่อยๆใช้ได้แล้วครับ้าวเขียวใช่ไหมใ ช, ชใช่ครับเด๋วไม่ใช่แม็ใครชื่ออะไรนะแม็กครับแบงค์ครั บ, รบว่าไงแบงค์ก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจิตใจมันละสัมละสายกว่าแต่แต่ก่อนนะครับพอไมมันเดิมไกลเข้ามาเรื่อยๆก็รู้สึกแบบรู้สึกแบบจิตใจ วิ่งไปวิ่งมาแล้ว ก, ก็มันก็แบบหนักหนะักแต่ว่าผมจะดูแบบหนักสลับกับเบาอะครับดูว่ามันแบบหายไปแล้วก็คลายหายไปแล้วก็คลายไปเรื่อยๆอครับยังจงใจนิดนึงครับตอนนี้มันสะคลองไว้นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเห็นไหมคนที่อยู่แถวถัดไปเริ่มไม่มีความสุขแล้วรู้สึกไหม เนี่ยกลุ่มเนี้ยเริ่มเครียดแล้วกลุ่มตรงกลางเนี้ยเครียดขึ้นมานะรู้ว่าเครียดไปเลยนะใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูออกไหมพอไม่เข้าใกล้มาใจเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะเนี่ยยังติดนิสัยนักเรียนนะพออาจารย์ไล่มาใกล้ๆนะมันตื่นเต้นหลายคนก็เอาเสาเป็นสารนะหนะลบไม่ต้องกลัวนะามาเรียนธรรมะกลัวอะไรอ้าเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง เวลาเวลาส่งกันบ้านพระอาจารย์นะคะจะต้องมีการกระทําอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเองทุกครั้งเลยดีที่เห็นนะดีแล้ว <ขา S 2> ใช้ได้อะไร<ด>เนี้ยส่งมาข้างหน้ามาเบอร์สิบสองเบอร์สิบสามไม่ค่อยมีความสุขแล้วรู้สึกไหม <c oughs> เครียดแล้วสังเกตดูใจเราเครียดไม่เท่ากันใช่ไหมก่อนที่หลวงพ่อคุยด้วยเครียดเยอะรู้สึกไหมตรงนี้คลายออกเนี่ยหัดดูไปอย่างนี้นะ เบอร์สิบสามผ่านแล้วไม่ต้องละเบอร์สิบสองพ่งเพิ่งมาครั้งแรกค่ะแล้วก็นี่เป็นกัลยาณมิตรแนะนำมาดีมีกัลยาณมิตรค่ะเออก่อนมาที่มีโทสะมากผสมด้วยอาคาดมันมันหนักใจแต่ตอนนี้ได้มาฟังหลวงพ่อก็เริ่มคลายไป ก็ไม่ทราบตัวเองปฏิบัติได้อย่างไรแต่ว่าแล้วก็ค่อยรู้ไปนะจริงจริงการปฏิบัติน่ะคือการเรียนรู้ตัวเองการปฏิบัติวิปัสสนาไม่ใช่คือการดัดแปลงหรือบังคับตัวเองเพราะงั่ายเราแค่เรียนรู้ตัวเองเท่านั้นสังเกตใจของเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวมีโทสะเดี๋ยวเฉยเยเดี๋ยวนิ่งน่งเดี๋ยวยังงั้นอย่างนี้แล้วค่อยดูเรื่อยๆไปจนเราเห็นนะาจิตใจนี้เปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนมันทํางานได้เองมันเปลี่ยนของมันเอง ถึงวันหนึ่งปัญญามันเกิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าถึงตรงนั้นได้ก็คือปลอดภัยแล้วได้โสดาแต่ก็รู้ว่าตัวเองมีโทรศัท์มากดีดีที่รู้น ะ, ะแล้วยิ่งภาวนาต่อไปนะจะรู้ว่าร้ายกว่าที่นึกไว้อีกอเบอร์สี่เบอร์สี่พ่อครับอยากจะถามว่า จิตมีกำลังกับไม่มีกำลังนี่มันต่างกันยังไงคับเราจะคือบางวันรู้สึกไหมมันป้อแป้ท้อแท้ซึมเศาไม่มีเรียวมีแรงบางวันมันก็แอคทีฟขยันขันแข็งออกรู้ออกดูว่องไวบางวันเฉยเฉยเนื่อยเนือยเนี่ยแต่ละวันยังไม่เท่ากันหรอกถ้าเฉยซึมกระทืออะไรงั้นภาวนาไม่ได้อะไปทำสมถะดีกว่า แต่ถ้าจิตใจปลัดเปรี่ยวว่างไวเบาสบายรู้ตื่นดีแล้วเนี่ยอย่ามัวแต่ทําสมถะเสียเวลาออกมารู้กายออกมารู้ใจดูความเปลี่ยนแปลงไปคุณพิชัยดูออกไหมว่าที่คุยกับหลวงพ่อในช่วงเวลาไม่ถึงนาทีเนี่ยเปลี่ยนไปหลายแบบแล้โมหะไม่เท่ากันดูออกไหมจะเห็นว่าคิดไปหลายครั้งอ่นะเนี่ยเฝ้ารู้อย่างเนี้ยการปฏิบัติไม่ใช่ฝึกดัดแปลง เปฝึกดูกายดูใจเขาทำงานของเขาไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็เข้าใจว่าเขาไม่ใช่เราหรอกอนิ่มมันนี่มาตั้งสี่เดือนแล้วตอนนี้พอหม่ใกล้มาถึงก็ตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นใจมันเต้นทุบก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะตอนนี้แล้วอไงอ่ะก็ตอนนี้ก็พยายามรู้อยู่แล้วมันก็ตอนนี้เริ่มคลายแล้วค่ะบังคับมันได้ไหมไม่ได้คะ่ะเออบังคับไม่ได้<ะ>ดูละ ใช้ได้แล้วหมอนื้ในระหว่างระหว่างนั่งฟังคนอื่นอยู่ก็คิดของตัวเองเนี่ยแล้วมันก็ไม่มีข้อสรุปอะไรเลยรู้บ้างไหมรู้บ้างสั่งไม่ค่อยออกอะไรนะคือระหว่างฟังคนอื่นอยู่ก็นึกของตัวเองว่าจะรายงานหลวงพ่อยังไงครับก็มันไม่มีข้อสรุปคิดว่ามันเป็นการระลึกย้อนแล้วก็เราก็เห็นเป็นระยะๆะล้วก็ดีแล้วคุณหมอยังบังคับอยู่นะ มันจะมีการที่บังคับยืนพื้นไหมตรงตรงนี้เนี่ยผมใช้วิธีการหลายอย่างที่จะพยายามลืมวิธีการปฏิบัติไปแต่ในระหว่างระหว่างที่มีอะไรกระทบเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกพอใจกับการที่เราจะไม่ไม่ไปวอกแวกเพิ่มกับพอมันมันมีจุดยืนตรงนั้นมันก็เลยอดไม่ได้ที่จะไปตกแต่งมันให้มันไม่เคลื่อนไป ตรงนั้นไม่เอานะให้รู้ทันว่าเราหลงไปตกแต่งอยู่จริงเราไม่ได้ต้องการตกแต่งต้องการรู้ตามความเป็นจริงถ้าแต่งเกินขึ้นมานิดนึงก็ของปลอมละในช่วงหนึ่งช่วงแวบหนึ่งของการที่รู้นั้นเนี่ยเรามันก็ตามมาด้วยกระบวนการที่อยู่เรื่อยถึงแม้ว่ามันเคยชินครับวิถีชีวิตที่ผ่านมาก็พยายามจะไม่ไม่ไปข้องเกี่ยวกับวิธีการอย่างนี้มันก็ก็หลบไม่ค่อยออกใจมันเคยชิ น, นเคยชินนะ ้อการหลวงพอ่อผมก็ญาติเรียนถามที่ปฏิบัติอยู่นี้ดีแลว้วรู้ยังดีดีปฏิบัติเธอดีั้างนั่นแหละนะคอยรู้คอยดูนะอย่างเนี้ยเมื่อกี้เยี่ยวไปส่งไม่รู้สึกไหมลืมไปหัดเนี้ยนะไม่ต้องหัดรู้สึกตัวตลอดเวลานะ ห, นหัดเนี้ยหัดเผลอบ่อยๆไม่เผลอนานแต่เผลอบ่อยๆไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกนะ ถ้าเราพยายามฝึกไม่ให้เผลอนะจะเครียดสุดขีดเลยเราะเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าแค่ว่าเออเผลอแล้วเราจะรู้ให้ไหวๆนะนี่พอเป็นไปได้มันจะง่ายอ้าวรสค่ะตอนนี้ตอนนี้ที่ปฏิบัติค่ะที่บ้านก็เห็นเห็นตัวเองคิดอะไรเยอะแยะไปเลยเสียงดังคิดอยู่ในหัวอะไรเงี้ยค่ะออแต่ว่าหนูห น, นูมันมันมันรู้สึกไม่เบาไม่วางนะคะ แต่ก็แต่ก็แต่เห็นอยู่เรื่อยรู้สึกรู้สึกว่าเห็นว่าตัวเองคิดบ่อยขึ้นกว่าแต่ก่อนค่ะแต่มันยังมันยังรู้สึกรู้สึกแบบว่ามันมั น, ม, น, ม, นมันไม่วางแล้วค่ะมันก็ยังคิดอยู่ค่ะต้องคิดนะเราไม่ใช่ฝึกที่จะไม่คิดน ะ, ะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยคิดเป็นนะเป็นบุญแล้วไม่ได้เกิดเป็นต้นไม้ ั้นจิตนะันมีหน้าที่คิดหน้าที่ของเราก็คือเราเห็นจิตมันคิดไปมันทำงานของมันเองมันคิดของมันเองเราเป็นแค่คนดูอย่าไปยุ่งกับมัน <ทะ S 1> อย่าไปแทรกแซงนะไม่ใช่เห็นมันคิดแล้วก็ยินร้ายไม่ชอบอยากให้เลิกคิดนั่นทาทำผิดล<ท>ะไม่เลิกนะมันคิดตลอดแหละแล้วลก็มีอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะชอบมัน พอมันบางทีมันรู้ๆว่าตัวเองมีกิเลสขึ้นมาค่ะมันจะแอบอุ้ยไม่เอาขึ้นมาเองค่ะแต่มันจะเห็นอาการที่แบบว่าไม่เอาเองแต่ไม่ได้ไม่เอาแบบมีสติค่ะมันจะเหมือนกับเฮ้ยไม่เอาเหมือนกับยังไม่ทันรู้เลยค่ะว่าว่ามันธรรมชาติมันเป็นยังไงมันมันแอบหนีไปก่อนเองค่ะอารมณ์มันเปลี่ยนแล้วเราก็รู้ทันว่ามันไม่เอาตรงที่มันจะไม่เอาเนี่ยกลายเป็นอารมณ์ปัจจุบันแล้ว กิเลสอันแรกก็เป็นอารมณ์โบราณเก่าๆล้าสมัยไม่ต้องไปดูมันแล้วรู้ลงปัจจุบันไปว่าเนี่กำลังปฏิเสธกิเลสอยู่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะทำไมเรื่องเยอะนักเด็กเนี่ยมีตั้งใจถามไว้สามเรื่องค่ะแต่เรื่องสุดท้ายนี้หนูรู้สึกว่าบางทีมันเหมือนมันมีวิธีที่นําให้เกิดสติได้ค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกหรือเปล่าค่ะเออทำยังไงอะหนูใช้เหมือนกับท่าน นั่งอยู่ว่างๆคะจะมองไปรอบๆตัวคะแล้วจะเห็นว่าเอ้ยตรงเนี้ยมันภาพมันเบอลอๆแล้วเราจะแล้วพอเห็นภาพเบลอๆปื๊บแล้วก็บอกตัวเองว่าตรงนี้ไม่มีสติแล้วก็เปลี่ยนจุดมองจุดพอเปลี่ยนบางทีใจมันจะปิ๊งๆแล้วก็สว่างขึ้นมาค่ะก<ร>็ใช่ได้มันเป็นอุบาย<ะ>เป็นแท็ติกนนงความจริงไม่ว่าเราจะมีสติหรือไม่มีสตินะพอเรามองอะไรเราจะเห็นชัดอยู่แวบเดียว <ฮะ S 2> แล้วมันจะต้องเปลด เพราะอะไรเพราะจักขูวิญญาณจิตจิตที่ไปรับรู้รูปมันดับเกิดแล้วมันก็ดับอยากดูใหม่ให้ชัดๆก็ต้องมีจิตขึ้นมาดูใหม่จิตมันเกิดแล้วมันดับงั้นไม่ว่าจะดูอะไรนะมันจะเบลอๆเราจะเห็นชัดอยู่แวบเดียวแล้วมันจะเบลอลงไปดูหน้าหลวงลงุลงนีง้หลวงลงุล ง, ลงปฏิหารให้ดูเห็นไหมไม่ชัดหรอก<ะ>ถ้าใครภาวนาเป็นนะจะเห็นหลวงพ่อแสดงปฏิหารนั่งนั่งอยู่นี่บางทีหายแวบไปเฉยๆ ไปดูหมาก็เหมือนกันนะไม่เฉพาะดูหลวงพ่อหรอกจากครูวิญญาณจิตมันเกิดแล้วมันดับวับรูปมันก็ดับไปด้วยตะกอนหนูเข้าใจผิดคิดว่าวิธีแบบนี้มันเป็นวิธีการทําสมาธิขึ้นมาค่ะเนี่ยแหละมันเป็นการหัดดูนะหัดเห็นสภาวะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช้ได้หนูเพิ่งรู้วันวันนี้เองค่ะว่ามันไม่ใช่เพราะว่าหนูพยายามจะ ทำดูซ้อมดูก่อนที่จะมาเรียนหลวงพ่อคะ่ะก็เลยเห็นว่าเอ้ยบางทีมันก็ทําแล้วมันไม่เกิดปิ๊งปิงขึ้นมาคะ่ะก็เลยรู้ว่าโอ้มันน่าจะใช่ค่ะมันทําไม่ได้ค่ะน้อยมันลดยศเราเป็นหลวงลุงมันมันเรียกหลวงพ่อ <c oughs> อ้าแลมก็นี่เสียงแตกวะ <c oughs> รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนแต่ก่อนนะครับเนอ <c oughs> มันไม่ดียังไงอ่ะก็ ช่วงนี้รู้สึกฟุ้งซ่านมากด้วยครับอืมแล้วทําไมรู้ว่าฟุ้งซ่านน่ะก็บางทีนั่งเลื่อนมันก็คิดไปเรื่อยครับคิดไปนานๆสักพักนึงมันถึงเพิ่งจะรู้ขึ้นมาครับอ๋อนานๆไม่ดีถ้าไปไหลายแอ บ, บเรารู้อย่างนี้ดีนะครับต้องมีรูปแบบของการปฏิบัตินะพุโทโธไว้ก็ได้พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนะพุโทโธแล้วพอใจหนีไปจากพุโทโธก็รู้ทันพุโทโธไปพอใจสงบก็รู้ทันพุโทโธไปเรื่อยๆ พุโทโธแล้วรู้ทันใจไม่ใช่พุโทโธให้ใจนิ่งนะพุโทโธแล้วรู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอา้าว่างไงในยนิตได้ยินชื่อออกพิทยุบ่อยๆมีด้วค่ะโอมีคุณจิตรพนะาพรน่ะอริยาพรนะ่ะคุณน้องอะ่ะอ๋อคุณน้องค่ะ เ, เขาพูดถึงอยู่ทุกอาทิตย์เลยไม่ได้ทราบแต่ตมาไม่ได้ฟังวิทยุรอเขา บันทึกเทปไว้ให้ฟังที่เข้าเอาหนังสือทางเอกไปอ่านไปอ่านอยู่เหรอคะหรื อ, อจะจบอยู่แล้วเห็นว่าอานารย์นิวสังฆทานก็ไปอ่านอยู่นะคะตอนนี้เพิเ่งเปิดเพิ่ง เ, เริ่มอ่านนะคะตแล้วนแล้วอะตอนนี้รู้สึกว่ามันมันนิ่งเกินไปหรือเปล่าคะกําลังพยายามดูว่ามันไม่นิ่งนะตอนนี้ใจกาลังกระเพื่อมฟุ้งแล้วรู้สึกไหมนะใจเป็นพร้อมที่จะกระเพื่อมฟุ้งแรง นี้พออยู่เฉยๆแล้วก็จ้องเอาไว้ให้มันนิ่งๆพอเผลอมันก็กระเพื่อมแรงขึ้นมามันชินที่จะเข้าไปทํานิ่งใช่ไหมคะใช่มันไปกดเอาไว้พอวันตอนไหนเผลอไปไม่ได้กดนะมันก็กระเพื่อมแรงจะพร้อมที่จะพุ่งขึ้นมานี่ไปคิดแล้วรู้สึกไหมมันไปเลยเออมันไปห้ามมันไม่ได้รอกดูไปเรื่อยห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้ดูไปแล้วใจรอยแล้ว ล็ก็ใจลอยไปแล้วถ้าส่งต่อก็ได้ยิ่งส่งต่อหลวงพ่อยิ่งชอบนะตอนนี้รู้สึกว่าจิตใจสงบขึ้นค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าสงบนิ่ง น, นี่เป็นเพราะว่าเราไปเพ่งหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราสติเราค่อยเกิดล้นะครัสติเกิดพอมันรู้ทันใจมันค่อยตั้งมั่นขึ้นเวลากิเลสเวลานิวรณ์มันเกิดขึ้นมาสติมันไปเห็นเข้า อนนิวรดับไปนะสมาธิมันก็เกิดเองแหละเพราะ น, นิวรันเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตมีสมาธิอนนิวรไหลแว บ, บสติรู้ทันก็ขาดไปใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาก็คือรู้ไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมจะ๊ะรู้ไปเรื่อยๆนะเหลือแล้วรู้สึกไหมเหลือแล้วตอนส่งไม้เนี่ยเป็นตอนหากินง่ายของหลวงพ่อเลยะเพราะว่าหลงเกือบหมดแหละตอนส่งไม้ เดี๋ยวค่อยดูคนต่อไปเวลาส่งต้องส่งอย่างนี้นว่างไงไปถึงไหนละรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่จะได้ถามหลวงพ่อเพิ่งเมเคย<ป>มาไหมเคยมาครั้งเดียวค่ะเห็นกิเลสตั้งไหมเนี่ยแหละค่ะที่อยากถามค่ะหลวงพ่อเลยถามก่อนไงนมาถามหลวงพ่อเห็นกิเลสไม่ตอบได้ไง กิเลสเกิดบ่อยไม่วันวันหนึ่งโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยเห็นบ้างไหมเริ่มเห็นมากขึ้นค่ะอืนั่นแหล ะ, ะดีนะเราวัดความก้าวหน้าโดยที่เราเห็นสภาวะธรรมได้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนี่สภาวะธรรมที่มีมากเลยคือกิเลสนี่แหละอกุศลมีเยอะนะกุศลเกิดน้อยงั้นการที่เราเห็นจิตใจเรามีกิเลสได้เยอะแยะเลยนั่นสติเราเกิดบ่อยดีนะดีค่อยๆฝึกไปแต่ว่ามันติดกรรมฐานเดิมมั่ง มันยังนิ่งๆอยู่มันยังมีความนิ่งเกินจริงอยู่นิดนึงอ่ะส่งต่อไปเห็นไหมเผลอละเผลอละเห็นมรับครับครียครับครับครับครับครบครับครัพูรัะครับรีบรบเรัยคบค ร, นะรับครับครับครับค่ับครับรับเรับครับคอับครับ ร, <laughs> รันะบครับคระบครารบบครับครับครับครับารับครับครับับันครนะับครับครราจํา จิตมันจําสภาวะได้แล้วตอนแรกๆนี่เราต้องช่วยจิตจําก่อนนะเปล่ะะวิธีช่วยจิตให้จําก็คือพาจิตไปดูสภาวะบ่อยๆงั้นเบื้องต้นนะทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งขึ้นมาก่อนที่เราเคยคุ้นเคยอ่ะที่ทําแล้วสบายนะอย่างบางคนดูท้องพองยุบแล้วสบายใจก็เอาท้องพองยุบแต่ถ้าดูท้องพองยุบแล้วคลีดคลีดแข็งแข็งก็เปลี่ยนซะไม่เหมาะหารม์กรรมฐานอะไรที่อยู่แล้วสบายขึ้นมาอันหนึ่งก่อน เช่นอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่กับการขยับมือแบบสายหลวงพ่อเทียนก็ได้ดูท้องฟองยุบก็ได้นะอะไรก็ได้เสร็จแล้วเราก็หัดดูสภาวะแต่เดิมเราทำกรรมฐานอะไรเราชอบไปเพ่งให้นิ่งเช่นรู้ลมหายใจเราก็ไปเพ่งลมรู้ท้องเพ่งท้องรู้มือเพ่งมืออย่างนี้ไม่เอาเรี่ยนใหม่เราก็รู้อารมณ์นั้นไปแล้วใจของเราเป็นยังไงเราคอยรู้ เช่นเราดูท้องพองยุบแล้วใจเราแอบไปคิดแวบเรารู้ทันว่าใจหนีไปคิดแล้วดูท้องพองยุบไปอีกใจไปเพ่งไหลเข้าไปอยู่ที่ท้องแล้เราก็รู้ทันว่าจิตเราไหลเข้าไปอยู่ในท้องแล้วดูท้องพองยุบไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้หัดรู้สภาวะนั่นเองต้องหัดรู้นะไม่ผิดที่เราบังคับให้รู้ใช่ไหมฮะไม่ผิดไ ม, ไม่ใช่<ร>บังคับหรอก<ๆ>แต่ว่าทํากรรมาฐานขึ้นอันหนึ่งก่อนนะแล้วมันเผลอบ้างมันเพ่งบ้างมันเป็นยังไง คอยตามรู้เอาไม่ได้บังคับว่าห้ามเผลอไม่ได้บังคับว่าอย่าเพ่งจิตเผลอไปก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้นะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงจิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตขี้เกียจจิตสงสัยเนี่ยนั่งดูไปสภาวะแต่ละอันแต่ละอันมันจะเวียนหมุนเวียนขึ้นมาในใจเราเรื่อยๆแล้วก็คอยนั่งเรียนรู้มันไปคอยดูไปเรื่อยๆไม่เข้าไปแทรกแซง ทำหน้าที่เรียนรู้อย่างเดียวเรียนรู้สภาวะไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดเองครับอีกอันนึง น, นะครับบางทีเราเวลาเรารู้สึกว่าเราคิดเนี่ยนะฮะเราก็พยายามพอรู้สึกตัวปุ๊บเราก็จะหยุดความคิดในการทําอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยบางทีมันรู้สึกว่าเอ๊ะความจําเราอะไรเนะีย <c oughs> เดี๋ยเดีเอาใหม่ที่เราพ่อไม่ได้ยินเอ อ, อย่างบางทีสภาวะที่เรารู้สึกว่าเราคิดขึ้นมานะครับแล้วก็รู้สึก เริ่มรู้สึกตัวแล้วเราก็จะตัดความคิดนั้นอะไรความคิดนั้นนะตัดความคิดเอออย่าไปตัดมันบ่อยมันคิดและมันไม่คิดแล้วมันขาดไปเองสังเกตไหมอย่างเวลามันคิดนะมันหลงคิดคิดไปตัวนี้เป็นอกุศลครับตรงที่รู้ว่าเมื่อกี้หลงคิดตัวเนี้เป็นความรู้สึกตัวแล้จิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้วถัดจากนั้นเนี่ยเกิดอกุศลตัวใหม่ไม่อยากให้คิดแล้วพยายามตัดอันนี้เป็นอกุศลนั่นใหม่ละมันเปลี่ยนสภาวะแล้ว เงนเวลาที่รู้ที่ถูกต้องนะช่วขณะแวบเดียวบางเฉียบเลยตรงที่รู้สึกขึ้นมาจริงๆว่าเมื่อกี้เผลอไปคิดอันนี้รู้จริงๆแต่ช่วขณะเดียวจิตก็จะเปลี่ยนอารมณ์อีกนะเช่นไปเกิดการบังคับตัวเองไม่ให้คิดถ้าไปสติก็ไปรู้ทันว่าเมื่อกี้หลงไปบังคับแล้วคอยรู้ตามหลังอย่างนี้เลยดใช้ได้นะที่ฝึกอยู่พอใช้ได้ลนะ้ใจมันค่อยมีสติขึ้นมาแล้วรับคุครับ โอ้ยังไงมันก็ไม่หมดห้องเนอะไม่รู้จะทำยังไงเนะอะหลวงพ่ออยากแยกร่างแปลงร่างมีหลายหลายองค์หน่อยคนไหนภาวนานะก็รีบรีบเข้านะรีบขยันดูเขารู้ทำเห็นทำแล้วจะได้มาช่วยกันสอนอว่าไงอยากจะถามหลวงพ่อ ว, ว่าตอนนี้ที่ภาวนามายังบังคับอยู่ไหครับยังบังคับอยู่ดูออกใช่ไหมดู อ, อกดีแล้วละ สิ่งที่ผิดมีสองอันนะเผลอไปกับบังคับไว้แยกได้ใช่ไหมคู่เนี้ยพอแยกคู่นี้ได้ต่อไปเราเริ่มตื่นละใจของคุณน่ะมันเริ่มตื่นขึ้นใช้ได้นะง่ายจริงๆเลยง่ายสุดๆเลยง่ายจนนึกไม่ถึงเนี่ยเห็นไหมรับไมโครโฟนมัวแต่ปลื้มกับไมลืมตัวเองรู้สึกไหมเมื่อกี้เผลอไปเห็นไหมฝึกอย่างนี้นะฝึกอยู่ในชีวิตจริงๆง่ายไ ม, <ต>ไม่มีอะไรอ่ะ ต, ตอนนี้รนะู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็ หนักๆสิสาค่อแล้วก็ใช่เพราเราไปไปเกรงเอาไหยบังคับพยายามข่มความตื่นเต้นอย่าไปข่มมันสิตื่นเต้นให้มันตื่นเต้นไปร้องเพลงสักเพลงได้ไหมค่ะ <laughs> แล้วที่ที่นั่งมาก็ไม่ทราบว่า ถ, ถูกผิดนะฮะหลวงพ่อเพราะว่าบริกา ร, รพุดโทแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกรู้สึกไหมตอนนี้ใจเราฟุ้งแลดูออกไหม ตรงที่จะเล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยพิคิดใหญ่เลย<ะ>ใชใจเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิด<ะ>ให้รู้ทันว่าใจเรามีพิคิดละหัดพุทโธนะหลวงพ่อก็หัดหายใจเข้า<ะ>หายใจออกหลวงพ่อฝ<ะ>ึกตั้งแต่เจ็ดขวบฝ<ะ>ึกอยู่ยี่สิบสองปีทําแต่สมถะแล้วอยากให้หลวงพ่อว่าบอกว่าทํายังไงดีอ่ะค่ะก็หัดพุทโธไปหัดหายใจไปแต่ไม่ใช่เพื่อให้ใจนิ่งนะปรับปรับวัตถุประสงค์ใหม่ค่ะ พุทโธไปหายใจไปแล้วก็ค่อยรู้ทันใจพุทโธพุทโธไปใจแอบไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันว่าใจไปคิดพุทโธไปหายใจไปแล้วเริ่มเกรงเริ่มบังคับตัวเองอย่างขนาเนี้บังคับตัวเองอยู่รู้สึกไหมรู้สึกค่ะก็เราก็รู้ทันว่าบังคับตัวเองพุทโธไปหายใจไปแล้วก็ค่อยรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆหัดรู้อย่างนี้เนี่ยสติเกิดเองในหลังๆก็รู้สึกว่าพอตัวเองไปคิดอย่างอื่นก็ ก็รู้นะคะแล้วก็กลับม า, าพุทธกลับมานะอ๋อไม่ดึงใช่ไหมเด อ, อไม่ดึงดึงแล้วแน่นอ๋อถ้าดึงแล้วจะแน่นๆน่ะรู้สึกนั่งแล้วบางครั้งก็โล่งๆบางครั้งก็แน่นๆน่นนะคะโล่งๆเนี่ยเพราะไม่ได้เจตนาจะรู้มันไปรู้เข้าเองค<า>่ะ แ, แน่นแ่นเนี่ยเพราะไปพยายามจะรู้บ้างพอรู้แล้วพยายามบังคับบ้างก็แน่นแน<า>่น <ๆ S 1> ก็ปกติคิดว่าจะให้สงบอย่างที่ที่ที่คิดมาแต่วันนี้ได้มาฟังอาจารย์แล้วรู้สึกมีความรู้สึกว่า ต้องปล่อยต้องไม่ไ ม, ไ, มไม่ยึดไม่อะไรทั้งสิ้นที่จริงแลนะ้วพอปล่อยแล้วสงบค่ะปัจจัยของเรารู้ตื่นขึ้นมานะมีความสุขมีความตั้งมั่นมีความสงบสังเกตไหมคนที่นั่งแถวหน้าๆเนี่ยดูเขาสงบรู้สึกไหมรู้สึกแต่ดูดูอีกอย่างหนึ่งดูออกไหมเขาร่าเริงด้วยเขาสงบแต่ร่าเริงนะไม่ใช่สงบแบบแห้งแลง้งแข็งกระด้างชาวพุทธเมื่อภาวนาเป็นเนี่ยจะสงบแต่ร่าเริง ไม่ใช่สงบแบบแห้งแรงนะหรือไม่ใช่ว่าฟุงา้งซ่านไม่ใช่สมัยพุทธกาลหลวงพ่อจําไม่ได้แล้วพระสูตรอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้ต้องถามปองปองจําไม่ได้มีคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอะแล้วไปชมกับพระทเจ้าบอกสาวกของพระองค์สงบแต่ลาเริงไม่ได้มีไปชมกับพระพุทธเจ้านะสาวกของพระองค์ซึมซึมพระเจ้าค่ะ หน้าเรื่อมใสพระซุมไม่ได้ชมอย่างนั้นนะนักศึกษาพวกของพระองค์เครียดดีพระเจ้าค่ะแสดงว่าจริงจัง <c oughs> เครียดดีจังเลยไม่ได้ชมอย่างนั้นนะสงบแต่ร่าเริงนั้นถ้าเมื่อไหร่มีสติขึ้นมาเราจะสงบแล้วก็ร่าเริงทําไมล่ะเพราะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานมีความสุขนอหนุ่มนี่ดีขึ้นเยอะเลยนะดีแล้วเข้าร่องเข้ารอยแล้วดีแล้วดูไปเรื่อยเรย แล้วมันก็จเจริญมั่งเสื่อมมั่งนะไม่ต้องดีตลอดนะพยายามให้ดีตลอดเดี๋ยวเสียหมดรู้ไปเรยใช้ได้วันนี้แสงหน้าองค์ไปได้แนละ้วองมูโมหะเยอะเรียกโมหะเต็มโองเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> อ้าวส่งต่อการนันวัตสการหลวงพ่อนะคะก็เพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกนะคะแต่ก็ได้ประดัติธรรมเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนานะคะแต่ตัว ตัวโยมมันก็รู้สึกว่าจะเป็นคนที่มีโทสะเกิดขึ้นง่ายมากแล้วตั้งแต่มีความรู้สึกว่าเราเริ่มทําวิปัสนาขึ้นมาครั้งนี้สึกว่าอารมณ์ตรงนี้เราก็จะเริ่มเย็นขึ้นค่ะทํำยังไงอะวิปัสนาก็คือแบบว่าให้รู้ตามรู้ตามความเป็นจริงที่<ม> ท, ที่เราของโยมยังบังคับอยู่หน่อยๆ น, นะอ๋อเหรอคะค่ะตัวออกไห่ยังบังคับอยู่ก็เพิ่งทําเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองค่ะให้รู้ทันนะเราบังคับ บค่ะไม่บังคับเลยไม่บบัังคเเราจะปล่อยให้เขาทํางานไปเหมือนที่หลงพ่อพูดเมื่อเช้ามันเหมือนเด็กอะเราจะดูใจเราเหมือนเราดูเด็กคนหนึ่งเราปล่อยให้มันทํางานให้มันซนไปเถอะเดี๋ยวมันก็วิ่งไปเดี๋ยวมันก็ไปนอนเดี๋ยวมันก็ทําอย่างง้นทําอย่างงี้เดี๋ยวหัวรอดเดี๋ยวร้องไห้เราตามดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปบังคับไปจ้องนะมัน็กซึมซึมนิ่งๆเครียดเครียดเนี่ยนิ่งผิดความจริงอ๋อค่ะก็คือเคยแบบ นั่งสมาธิหรือหรือหรือสมาถาเนี่ยมาหปีแล้วก็สวดมนธรรมชาวัดเย็นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพอดีลูกเขาได้มาฟังทำตรงนี้ก็เลยบอกว่าเออคุณแม่คะเรามาเรียนวิปัสสนานกันดีกว่าไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดความสนใจตรงนี้ขึ้นมาดีแล้วน ะ, ะสมาทานเนี่ยก็มีประโยชน์แต่ว่าทาแต่สมาทาอย่างเดียวไม่พอไม่พ้นทุก พ้นทุกข์ได้เพราะว่ามีปัญญาอ๋อค่ะตอนแรกที่ยมก็ไม่ทราบนะคะว่าการสมรถะหรือว่าวิปัสสนาเนี่ยตอนแรกใจยิงคิดว่าเป็นตัวเดียวกันแต่พอมาได้ฟังซีดีแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่ตรงนี้ค่ะก็เลยมาเริ่มมาเริ่มเรียนนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะติดสมถะอ๋อค่ะคือเราคุ้นเคยที่จะบังคับกายบังคับใจตัวเองค่ะ การบังคับกายบังคับใจมันก็จะนิ่งนิ่งนิ่งเป็นสมถะค่ะแต่ถ้าเราปล่อยให้กายให้ใจทํางานไปเราตามรู้ตามดูไปเพื่อให้เห็นความจริงของมันว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้นี่เป็นวิปัสสนาดีแล้วค่อยเรียนค่อเรียนไปนะยังติดกรรมฐานเพ่งมากไปนิดนึงค่ะตอนนี้ค่ะไปเรียนจากไหนล่ะหายใจเนี้ยไปเรียนจากครูบาอาจารย์ที่ไหนมา ที่ทำอยู่ที่บ้านเองค่ะเพราะว่าคือห้าปีที่แล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองนี่อยากใช่รู้สึกไหมตอนนี้หลงละอะไรนะคะตอนนี้เราหลงไปหลงค่ะหลงให้รู้ทันนะให้รู้ส่งมาต่อไปนี่หัดอย่างเนี้หัดหลงไปแล้วเรารู้หลงแล้วรู้เปียกค่ะพ่อแต่ก็น้อยลงกว่าครั้งแรกที่มาค่อนข้างเยอะอะค่ะดีแล้วล่ะใจเริ่มเปลี่ยนแล้วรู้สึกไหม ใจเราค่อยสว่างค่อยผ่องใสค่อยสงบคนภาวนาเป็นนะมองปลาสเดียวก็ดูออกนะหน้าตามันไม่เหมือนคนทั่วๆไปคนทั่วๆไปหน้าจะมอมมอมมอม่อมเหมื อ, มมอมมนหน้าครุกขี้เท่าเลคนภาวนาหน้ามันจะใสสว่างมันสว่างมาจากข้างในนะสว่างถึงที่กระทั่งกระดูกยังใสเลยสว่างมันฟอกมาจากข้างในลยอยากยินถามหลวงพ่อค่ะไม่ทราบ ที่ปฏิบัตินี่มันเป็นยังไงนะคะ<า>ที่ตัวเองปฏิบัติไม่ทราบว่ามันถูกหรือมันผิดว่าตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นเออตื่นเต้นรู้ว่าตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วรู้ว่าตื่นเต้นก็ใช้ได้แล้ว <c oughs> มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็คอยตามรู้ตามดูไปง่ายๆอย่างเนี้ยใจหนีไปคิดรู้จักหรือยังใจชอบหนีไปคิดรู้สึกไหม <c oughs> พอมันหนีไปแล้วก็รู้นะอย่าไปดึงนะ กลับมาดึงไว้แล้รู้สึกไหมไปบังคับแล้วออตรงนี้ไม่เอานะไม่บังคับใจมันไหลไปเราแค่รู้ว่ามันไหลไปไม่ไปดึงมาถ้าดึงมาแล้วจะแน่นๆถ้าภาวนาแล้วรู้สึกแน่นๆน่นเนี่ยทำผิดแน่นอนนะจิตที่แน่นๆหนัก ๆ, นกๆแน่นๆนนเนี่ยอกุศลจิตจิตที่เป็นมหากุศลจิตนะจะเบาเบนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อหรอก ไปรู้ไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> มันยังไม่ตื่นขึ้นมาเดี๋ยวค่อยค่อยฟังไปเรื่อยๆนะอดทนนิดนึงนะหลวงพ่อไม่เก็บค่าฟังนะอซีดีก็แจกให้ฟรีเอาไปฟังฟังแล้วหัดสังเกตใจของตัวเองไปเรื่อยๆฟังแล้วเดี๋ยวก็รู้เรื่องก็สบายใจฟังไม่รู้เรื่องก็งงๆขึ้นมารู้ว่างงฟังแล้วใจเราเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นฟังแล้วใจลอยแวะไปเรื่องอื่นแล้วก็รู้ทัน ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็หัดรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆมีคนจํานวนมากเลยที่ไม่เคยเจอหลวงพ่อนะฟังซีดีหรือหานหนังสืออย่างเดียวตื่นขึ้นมานมีเยอะเลยดังนั้นเอาไปฟังนะช่วยตัวเองมากๆมาถึงวันนี้หลวงพ่อไม่สามารถไล่จี้ได้ทีละคนแล้วเพราะว่าเยอะเกินที่จะทํามวนชนเยอะต้องช่วยตัวเองให้เยอะๆนิดนึงฟังซีดีบ่อยๆฟังแล้วก็สังเกตใจนะสังเกตไป เราจะเห็นเลยจิตใจของเราแต่ละวันไม่เหมือนกันวันเดียวกันนะเช้าสายบ่ายเย็นก็ยังไม่เหมือนกันเวลาเช้าเวลาไล่เลี่ยกันอย่างนี้นะห่างกันนาทีสองนาทีจิตใจยังไม่เหมือนกันเลยจะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยให้ตามรู้ให้ตามดูไปนี่เรียกว่าการปฏิบัติการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ท่าทางนะไม่ใช่ว่าต้องยกแข้งยกขาท่าไหนต้องเดินนั่งท่าไหนหายใจท่าไหนไม่ใช่หรอก การปฏิบัติจริงๆอยู่ที่คุณภาพของจิตใจจิตใจมีสติเกิดขึ้นเองไหมหรือว่าบังคับให้เกิดหรือว่ากําหนดอยู่เพ่งอยู่จิตใจมีความตั้งมั่นในการรู้อารมณ์หรือถล่มลงไปรู้อารมณ์จิตใจแทรกแซงอารมณ์หรือว่าสักว่ารู้ว่าเห็นอารมณ์นี่สิ่งเหล่านี้สําคัญสําคัญมากกว่ากิริยาท่าทางบางคนเดินสวยนะถูกต้องตามตํำรับตําราที่อาจารย์รุ่นหลังท่านสร้างขึ้นมาถูกตําราเป๊ะเลยแต่ข้างในไม่ถูก เช่นเดินจงกรมไปแล้วก็เครียดไปเรื่อยๆเครียดไปเรื่อยๆจิตเป็นอกุศลอย่างนี้ไม่ถูกรูปแบบเปลือกของมันเนี่ยมีความสําคัญน้อยกว่าคุณภาพของจิตที่ไปรู้กายรู้ใจตัวคุณภาพของจิตใจเนี่ยสำคัญจิตใจที่รู้ตื่นเบิกบานสงบสะาดสว่างเนี่ยจิตใจชนิดเนี้เอาไปรู้กายเอาไปรู้ใจมันจะเห็นเลยกายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรามันทำงานของมันเองทั้งวันทั้งคืน มันเห็นเองนะไม่ต้องเป็นนึกเลยว่ามันเป็นเราหรือไม่เป็นเราไม่ต้องใช้ความคิดเลยแต่จะเห็นซึ่งซึ่งหน้าเลยเพราอนั้นหลวงพ่อไม่ได้เน้นที่รูปแบบใครเคยเดินยังไงก็เดินไปไม่เป็นปัญหาเคยนั่งเคยกาหนดอะไรนะยังไงก็ได้แต่ขอว่าให้สติเกิดก็แล้วกันส่วนใหญ่ที่ทามาในอดีตมันมกักจะเป็นการเพ่งเฉยๆเพ่งให้นิ่งมีแต่ขมไว้บังคับไว้ควบคุมไว้กาหนดไว้ เพื่อเอาความนิ่งอย่างนี้ใช้ไม่ได้ได้แต่สมถะกําหนดไปกําหนดไปขนลุกขนทองตัวลอยตัวโครงตัวเบาตัวเล็กตัวใหญ่ตัวหนักเลยขนลุกรู้สึกบูบบวบบาบา้าเลนี่อาการของสมถะทั้งนั้นเลยทําแล้วมีแต่สมถะเดีวค่อยคอยหัดรู้หัดดูนะค่อยรู้ค่อยรู้ค่อยดูไปใจจะค่อยๆตื่นขึ้นมาค่อยรู้ทันจิตใจของตนเองไปเรื่อยๆตามรู้ไปเรื่อยๆ ถึงจุดหนึ่งมันจะตื่นเต็มที่ขึ้นมานะห่องใสเบิกบานมีความสุขมีความสงบจิตใจมีละหุตาเบามีมุทุตามุทุตาอ่อนโยนมีกรรมัญญตาไม่ถูกนิวรลครอบงำมีปาคุณตาคล่องแคล่วว่องไวไม่ซึมไม่ทื่อมีอุชุกตารู้อารมณ์ทั้งหลายอย่างซื่อตรงๆไม่ลงเข้าไปแทรกแซงเนี่ยจิตมีคุณภาพะมีใช้จิตที่มีคุณภาพนี้รู้กายรู้ใจไป ให้จะเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันไม่ใช่ตัวเราเราเห็นกายเห็นใจถูกต้องตามความเป็นจริงถึงจุดสุดท้ายมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจพอปล่อยวางกายวางใจออกไปได้ก็คือปล่อยวางตัวทุกข์ทิ้งไปได้กล้กับใจนี่แหละตัวทุกข์ทุกข์ก็อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจตัวกายตัวใจนะเป็นที่ตั้งของความทุกข์ไม่ใช่เพียงเป็นที่ตั้งของความทุกขเท่านั้นตัวกายตัวใจนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลย แต่ตอนนี้สติปัญญาของเรายังเห็นไม่ได้เราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขว่างจิตเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างแต่ยังไม่สามารถเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแต่ถ้าเราเจริญสติมากเข้ามากเข้าถึงจหนึ่งเห็นทุกข์ล้วนๆเลยนะระหว่างถ้ายังเห็นทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ปล่อยวางแต่จะดิ้นรนหาความสุขไปเรื่อยๆถ้าสติปัญญาแก่รอบเราจะเห็นเขันห้านี้เป็นทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อย นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่ใจจะวางความยึดถือขันวางออกไปพอวางขันลงไปนะมันก็หมดตัณหาหมดความดิน้นไม่จำเป็นต้องดิ้นรนที่จ ะ, สะแสวงหาความสุขมาให้ขันหรือหาความสุขมาให้จิตใจอีกแล้วเพราะจิตใจนะั้นคืนให้โลกคืนให้ธรรมชาติไปแล้วธรรมะเป็นของละเอียดลึกซึ้งนะหลวงพ่อเรียกร้องอย่างเดียวว่าทนไห้ทนไห อดทนหน่อยในการฟังแล้วฟังอีกหลายคนนึกว่าฟังหลวงพ่อพูดทำไมพูดเหมือนกันทุกวันหลวงพ่อกล้าท้าเลยนะฟังหลวงพ่อพูดไม่รู้เรื่องหรอกต้องภาวนานะภาวนาแล้วจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดเป็นลําดับลาดับไปต้องดูกายต้องดูใจตัวเองเรื่อยๆแล้วถึงจะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกได้วันใดเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกจนถึงจุดที่เห็นว่ากายนี้ใจนี้นี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะนะั่นแหละจะเข้าใจธรรมะจริงๆเลย จะพ้นทุกข์ได้จริงๆก็ตรงนี้แหละถ้ายัางเห็นกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์บ้างสุขบ้างยังพ้นไม่ได้หรอกเรียกว่าเราไม่รู้ทุกข์พระเจ้าสอนนะขันห้าเป็นทุกข์นะท่านไม่ได้สอนว่าขันห้าเป็นทุกข์บ้างสุขว่างเราเห็นยังไม่ถึงที่ท่านบอกต้องอดทนฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วก็ดูไปเรื่อยฟังแล้วก็มาสังเกตกายสังเกตใจไปเรื่อยวันทุกวันเราก็จะขยิบใกล้ความจริงเข้าไปเรื่อยๆถึงจุดสุดท้ายเข้าถึงความจริงแท้ เข้าถึงอริยสัจนั่นเองรู้ขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆพอรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ล้วนๆใจจาวางไม่ยึดถือพอไม่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเราของเราแล้วเนี่ยความอยากที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขความอยากที่จะให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์มันจะดับไปโดยอัตโนมัติเพราอ น, นรู้ทุกข์แก่แจ้งเมื่อไหร่สมูทัยจะถูกละโดยอัตโนมัติพอทันทีที่สมูทัยถูกละ น, นิโรอดคือนิพพานจะปรากฏ ต, กนตหน้าต่อตาเรานี้เองนิพพานไม่ได้อยู่ไกลๆนะ นิพพานไม่ใช่อยู่ไกลๆนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่ยวันใดที่ใจเราสิ้นตัณหาอย่างแท้จริงเพราะมีปัญญารู้ทุกอย่างแท้จริงวางกายวางใจได้รู้ทุกระ ว, ว่างกายวางใจได้ตัณหาจะสิ้นไป น, นิพพานจะปรากฏต่อหน้าใจที่มันไม่ดิน้นมันจะเห็นธรรมะที่ไม่ดิน้นใจที่มันไม่อยากมันก็เห็นธรรมะที่ไม่อยากเห็นนิพพานนั่นเองเราจะมีแต่ความสุขล้วนๆเลยถึงตรงจุดนี้ เพราะอะไรถึงมีความสุขล้วนๆเพราะมันพ้นจากขันนะจิตมันพลากออกจากขันนะขันอยู่ส่วนขันจิตอยู่ส่วนจิตไม่กระทบกันเลยโดยที่ไม่ต้องระวังรักษาอีกต่อไปละเั้นเมื่อมันพ้นขันได้ก็คือมันพ้นทุกข์นั่นเองพระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าคือทุกข์เมื่อไรมันพ้นขันก็คือพ้นทุกข์ตัณหาก็ไม่มีนะจิตใจมีแต่สันติสุขคาว่าสันติก็เป็นชื่อของนิพพาน ใจิตใจที่เข้าถึงนิพพานมีความสุขจนไม่รู้จะเทียบกับอะไรความสุขอย่างโลกโลกนะความสุขเหมือนเด็กเล่นฝุ่นเล่นทรายท่านั่นเองค่อเรียนนะค่อยเรีย น, นะ อ, ยยนอดทนในการเรียนนี่หลวงพ่อไล่ได้ไม่ครบทุกคนนะเลยต้องรีบสรุปไปก่อนอะได้แถมอีกคนสองคนเมื่อกี้ที่หลวงพ่อพูดมามันก็เข้าไปในใจเลยครับแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันโล่งออกไปอันนี้ กิเลสนี่มันก็อยู่ในกายในใจพอพิจารณาไปอ่ะมันก็คืออารมณ์ที่เรายึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองอันนี้ข้างในใจเนี่ยข้างในใจมันก็หน้าที่มันก็เกิดดับใช่มันเป็นสิ่งสมมุติแต่ว่าเราไม่รู้จักมันจริงๆก็เลยรับไม่ได้จริงๆใช่นะครับดูให้มากๆแล้วมันก็เข้าใจเข้าใจแล้วว่างอันนี้พอดูให้มากมาบางทีเวทนามันเกิดบางทีมันระเบิดออกไปแต่ละที่ของกายอย่างเงี้ยฮะบางทีมันระเบิดออกไปทางหัวอย่าเงี้ยหัวมันก็โล่ง สมัยก่อนตอนนั้นมันบางทีมันมีความอึดอัดเป็นก้อนที่ใจฮะทีนี้พอผมก็มีสติหลวงพ่อเคยพูดว่าสติที่แท้จริงใช่ไหมฮะบางทีก็ไม่ใช่สติที่แท้จริงมันค่อยๆโล่งออกบางทีมันก็โล่งออกไปทันทีอืมันก็เป็นความไม่เที่ยงของสังขารนะครับอันนี้ก็มาดูว่าที่ติดอยู่หลวงพ่อก็บอกว่าตัณหาทีนี้ความสุขความสุขมันขึ้นอยู่กับจิตกับไปสัมผัสในระดับไหนถ้าไปสัมผัสในระดับที่เห็นว่ามันเป็นยึดในความสุขมันจะมีความแสบคือตัณหาอยากได้อยู่ คู่กันไปครับมันก็เป็นแค่ความไม่เที่ยงของโลกนี่เราดูไปนะเราเห็นมันทำงานของมันเองตลอดเวลามันเป็นวัฏจักรหมุนว่นยมันหมุนอยู่อย่างคร้ับผมก็ก็พุ่นรับผมดีกว่าคราวที่แล้วที่มาครับแต่ว่ายังมีโมหะอยู่นิดๆแล้วก็บังคับด้วยครับไปสลันอส่ามมาจากเชียงรายครับ ก็ร <G Smash and cookies> ู้สึกช่วงบ่ายนี้ดีกว่าเมื่อเช้าครับฮะนี่ช่วงสายไม่ใช่ช่วงบ่ายช่วงสายเขาบอกดีดีกว่าเมื่อเช้าถูกต้องครับเอาส่งต่อไปเนี่ยถ้าสภาวะถูกต้องเราใช้ได้แล้วนะจะดีก็ได้จะร้ายก็ได้บางคนฟังหลวงพ่อมาใหม่ๆฟังหลวงพ่อแล้วงงเวลาหลวงพ่อตรวจการบ้านนักเรียนเก่านะจะลายรายงานหลวงพ่อหูนี้เห็นแต่กิเลสหลวงพ่อเออดีดี อีกคนนึงเห็นโมโหทั้งวันเลยโอ้ดีอีกแล้วอีกคนบอกรู้ตัวอยู่เรื่อยๆอ้าวดีอีกลแล้วเลยกลายเป็นดีทุกเรื่องเลยความจริงที่ดีก็เพราะว่าเรารู้ทันสภาวะนั่นเอง จ, จิตใจมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างงั้นอันนั้นเรียกว่าดีครับเห็นจิตมันวิ่งไปหาอารม์เยอะขึ้นนะครับหลวงพ่อเพราะมันไม่ค่อยเป็นกลางอะมันจะออนะลำคาญอย่าไปลำคาญมันลำคาญก็รู้ว่าลำคาญครับ แล้วตามดูไปเรื่อยสังเกตไหมมันวิ่งไปหาอารมณ์เองเราห้ามมันไม่ได้หรอกโยเว้นไปเพ่งไวนะ้นะทําสมถามเลยบิดเบือนไตรลักครับนี่ยังเพ่งอยู่หรือเปล่าครับนิดหน่อยครับส่งไปข้างหลังนละ้วได้อีกคนนึงครับการนมัสการหลวงพ่อครับก็ตามรู้ตามตัวอยู่แต่รู้สึกวันนี้จะหลงมากเป็นพิเศษครับวันนี้จิตมีโมหะดูออกไหมมีความมัวอยู่หน่อยนึงนะ แล้วก็เราก็ข่มเอาไว้รู้สึกไหมรู้สึกครับเนี้ให้รู้ลงตามความเป็นจริงนะในที่สุดเราจะรู้เท่าทันกิริยาอาการของจิตใจมันแอบทำอะไรรู้ทันมันไปเรื่อยๆร่อเารู้มากเข้ามากเข้าเราเห็นเลยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนทั้งวันมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นอย่างนี้ก็เอาตัวรอดละคนไหนเห็นว่ากายกใจไม่ใช่เรานะเอาตัวรอดละได้โสดารอดหมายถึงว่า ต้องเวียนไหว้ตายเกินอีกไม่เกินเจ็ดครั้งก็ปฏิบัติดยโดยการเฝ้าดูเนี่ยนะครับก็เคยเห็นแทนว่าสภาวะใจจะไปจับอยู่กับการทำสมถะบางอย่างเช่นการเดินจงกรมนะครับพอเห็นแล้วก็รู้สึกอยากเห็นอีกพอทำเข้ามาวันต่อมาก็จะไม่เห็นให้รู้ทันที่อยาก ไม่รู้ท่านที่อยากเห็นนะรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอย่าสนใจว่าเราปฏิบัติแล้วจะได้อะไรมันจะเห็นหรือมันไม่เห็นก็ช่างมันมีหน้าที่ทําเหตุเรื่อยๆไปนะผลมันมาเองแหละอย่าไปอยากได้ผลเลยยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้นะลูกศิษย์หลวงพ่อมณฑลใช่ครับออตอนหลวงพ่อจะบวชนะท่านเป็นคนชวนให้บวชไปลาท่านนะแต่ท่านก็อธิษฐานใหญ่เลยนะเพรบุญกุศล ความเพียรของคุณของหลวงพี่นะรวมกันเป็นกําลังให้คุณถึงพระนิพพานโดย พ, พรานหะลวงพ่อบวชนะหลวงพ่อเลยเอาอย่างท่านท่านชอบเดินจงกรมนะหลวงพ่อก็เดินทั้งวันทั้งคืนเดินสะเละเลยความจริงก็คือถึงจุดหนึ่งก็รู้ทางใครทางมันครับมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงรู้ลงไปเรื่อยๆคนไหนถนัดเดินก็เดินคนไหนถนัดนั่งก็นั่งคนไหนถนัด น, นอนก็นั่งนะ <c oughs> ทำอะไรหรือหลวงพ่อพูดอะไรผิดหรือเปล่าก็จะจะได้การเดินเป็นการสมถะครับคือทุกครั้งที่ย่างก้าวเดินก็จะจิตรู้สึกจะสงบเพราะว่าจะไปจดจ่อที่การย่างก้าวครับคลายคลายความเพ่งออกไปหน่อยนะครับตอนนี้เพ่งเพ่งแรงไปนิดหนึ่งอย่า ก, กลัวไม่ดีดีหรือไม่ดีไม่เป็นไรดีหรือไม่ดีเป็นครูเราเท่าๆกันกิเลสก็เป็นครูสอนไตรลักษณ์นะ กรูลก็เป็นครูสอนไตรลักษณ์ไม่ต้องกลัวกิเลสแล้วก็หาทางหนีมันครับถา้างนั้นผมอาศัยการเดินเป็นการสมถะเป็นการธรรมะเพื่อเสริมกําลังได้ไหมได้ได้นะไม่ทิ้งรูปแบบนะรูปแบบของการปฏิบัติจําเป็นเพียงแต่ว่ารูปแบบของแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่ถนัดบางคนชอบดูท้องฟองยุบบางคนชอบเดินจงกลมเนี่ยบางคนชอบนั่งบางคนชอบหายใจบางคนขยับนิ้วอะไรอย่างนี้ก็มีอะไรก็ได้ ใช้เป็นแค่เครื่องอยู่พอใจเราไหลไปจากเครื่องอยู่นี้เราก็รู้ทันใจไปเพ่งก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลรู้ทันเรื่อยๆนะแล้วไปมารู้อัตโนมัติไปหมดเลยอวันนี้ได้แค่นี้นะหลวงพ่อพก็หมดรแรงแล้วโยมเยอะเกินนะเชิญโยมกลับบ้านไปเชิญทางที่ดีที่สุดก็คือไม่ต้องเข้าแถวมาคุยกับหลวงพ่อแล้วนะหนเหนื่อยแล้ว